น่าเขอนว่าชีราลงกรตำบลท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีที่กำลังก่อสร้างในเย็นวันหนึ่งเวลา17นาฬิกาคนงานกำลังเลิกงานเดินกลับไปสู่บ้านพักที่ทางราชการปลูกให้พักเป็นหลังๆเรียงกันไปบางคนร้อนจัดยังไม่กลับบ้านพักก็ถือโอกาสอาบน้ำที่ท้องทานของคันกักน้ำซึ่งมีน้ำฝนขังอยู่บ้างเป็นบางตอนใสๆสะอาดพอดีพอควร อีกหนุ่มหนึ่งผู้เป็นยามรักษาการของโรงงานกำลังเดินมาจากตลาดร้านชำที่ทำไว้ให้ความสะดวกแก่คนงานทั้งปวงไม่ต้องไปซื้อหาอะไรไกลๆหนุ่มคนนี้เดินเมื่อๆคล้ายใจลอยไปตามขอบคันกักน้ำเพื่อจะข้ามไปที่หนึ่งซึ่งเป็นท้องถานที่แห้งน้ำและตรงนั้นก็มีทางให้รถงานวิ่งลงท้องทานไปขึ้นอีกฝั่งที่เป็นสโมสสน แดดคล้อยลงเกือบจะจดแนวไม้ลมพัดจากที่โลง่งนั้นเย็นแสนสบายสถานที่นั้นแม้จะเป็นที่ราบธรรมดาแต่เมื่อมีการขุดดินให้เป็นคันร่องกักน้ําหรือคันส่งน้ําที่กว้างใหญ่เป็นสายยาวเหยียดแบบนั้นดินที่ขุดขึ้นก็ต้องมากองไว้บ้างคล้ายกับภูเขาบรรทุกรถไปถมที่ต้องการจะถมก็ยังไม่หมดพื้นที่ก็เลยดูเหมือนเขาดินเป็นเนินบ้างเป็นวังลึกบ้างในรูปงานนี้ยังไม่เสร็จ ก็เลยมีความโล่งปราศจากต้นไม้จะมีไม้ก็เฉพาะขอบบริเวณงานซึ่งเป็นป่าละเมาะสภาพของท้องที่นี้ถ้าเป็นชาวกรุงเทพไปเที่ยวพักผ่อนก็จะนึกอยากเอาเสือไปปูบนเนินดินเรีย บ, ยบแล้วจัดสุราอาหารเลี้ยงกันเย็นๆใจแต่ว่าสภาพของคนงานที่นั่นไม่มีทางทำแบบนั้นได้พูดง่ายๆคือไม่มีปัญญา จะให้ความสุขกับตัวเองได้แค่ที่ว่าเพียงกลับไปดื่มเหล้าประเดียวประดาวในตลาดร้านชำริมเขตสถานที่การทำงานแล้วก็กลับบ้านพักที่มีครอบครัวมีลูกเมียคอยรับประทานอาหารอยู่มองมองดูว่าน่าจะสุขใจตามสภาพของสถานที่ก็เพียงพวกที่ผ่านไปแวะชมกิจการจะนึกจะคิดเอาเท่านั้นส่วนคนงานที่นั่นมีแต่ว่าอิ่มข้าวแล้วจะพักผ่อนนอนหลับเอากาลังไว้ต่อสู้ในวันรุ่งขึ้น ร่างกายตากแดดแบกหามสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องของการก่อสร้างก็ต้องใช้กำลังแรงเฮ้ยประสานเป็นเสียงเรียกของหนุ่มคนหนึ่งผู้มีหน้าที่ประดับหินตามขอบคันส่งน้ำเขาเรียกเจ้าหนุ่มที่เป็นคนยามเดินเหม่อลอยไปแล้วผู้ที่ถูกเรียกก็หยุดตามเสียงเรียกก็พบเพื่อนคนงานชื่อเด่นหอบเสื้อหอบกางเกงสกรปรกคล้องแขนไว้แต่ว่าตัวเองนุ่งผ้าเขามา้า แสดงว่าอาบน้ำที่ท้องทานคันส่งน้ำเอา้าอาบน้ำเหรอประสานหนุ่มคนยามทักผู้เรียกไปเช่นกันเอออาบน้ำไม่ไหวว่าทำงานเหนื่อยร้อนด้วยว่าแต่ไงวะประสานทำไมดูหน้ามึ่ยเดินเมือม่อเมื่อหนุ่มที่ชื่อเด่นพูดส่วนขึ้นมาประสานยิ้มแห้งๆแล้วก็พูดอย่างง่ายๆอารมณ์ไม่ค่อยดีว่ะพูดไปนั้นเป็นความจริงจากใจของเขาเอา้า อารมณ์ไม่ค่อยดีก็กินเหล้าสิวะเด่นพูดออกไปอย่างสนุกแต่มองหน้าอย่างรู้ที่มาของอารมณ์ไม่ดีของเพื่อนกินเหล้าคนเดียวไม่อร่อยวะ่ะก็เลยเล่นเข้าไปสองกงแล้วก็เลยไปกินข้าวมาจากบ้านประสานตอบเด่นไปตามความจริงเมื่อมีอารมณ์ไม่ดีวุ่นวายอยู่ดื่มเหล้าคนเดียวมันก็รีบเทเหล้าเข้าไปในคอไม่ได้ค่อยๆดื่มเพื่อหารสชาติอะไรกันละเฮ้ยเอายงี้สิเดี๋ยวข้ากลับบ้านเดี๋ยวๆไปเปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วข้าจะคุยกับเองที่อยู่ยามต้องดื่มเหล้าหน่อยถึงจะคุยกันสนุกเด่นว่าแม้ไม่รู้เรื่องก็เลยหมั่นข้าวซะแล้วประสานบน่นเอากินเหล้าอีกมันจะเป็นไรวะกินทับข้าวไปเลยเฮ้ยเองเหล้าที่สโมสอนเนี่ยเองได้ไม่ใช่เหรอเด่นพูดทำไมอะจะเอาไม่ได้ละ่ะจ่ายเขาสดเขาก็ให้เราคนชั้นเราเนี่ยเซ็นเขาไม่ได้หรอกเออเด่นรับคาอย่างเห็นด้วย เดี๋ยววะเดี๋ยวไปบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวมาเมื่อแยกทางกันแล้วประสานก็เลยไปสโมสรซื้อเหล้ายาแบบจีนแต่ทำในเมืองไทย1ขวดโดยเงินสดแล้วก็เลยไปเข้ายามที่โรงเก็บเครื่องมือส่วนเด่นก็ตรงไปที่บ้านหมู่บ้านที่พักคนงานซึ่งเป็นหลังเล็กๆ เ, เรียงเป็นแถวไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวแล้วก็บอกกับเมียว่าให้กินข้าวก่อนไม่ต้องคอยแล้วออกจากบ้านพัก แม้ว่าการเดินทางไปโรงเก็บเครื่องมือจะไ ก, กลพอสมควรแต่ว่าด้วยความเคยชินของคนงานหนักเดินเหมือนใกล้และก็เร็วซะด้วยบ้าเอาเหล้ามาแล้วเด้อเอา้ามีถั่วแกล้มซะด้วยเด่นว่าก็อย่างนี้แหละที่นี้ถ้าไม่แกล้มด้วยถัว่วอย่างอื่นก็แพงไม่ใช่ของกินคนชั้นเราเว้ยแต่ว่ากินเหล้าแล้วก็แกล้มถั่วเนี่ยมันเหมาะกันว่าเหล้าแบบเนี้ย กินกับเนื้อกระป๋องปลากระป๋องก็เลยสกุลไปกับมะขามสดหรือว่าถั่วนั่นแหละสมสกุลกันประสานพูดอย่างสนุกทั้งสองดื่มเหล้ายาจีนแล้วก็แกล้มถั่วหัวเราะกันคิกคักประสานกินข้าวมาแล้วการดื่มเหล้าเข้าไปจึงไม่ดีถึงใจเหมือนท้องว่างส่วนเด่นนั้นร้อนหลังว่าบถึงกับจิตถึงกับใจดีเพราะว่าท้องว่างเลือดวิ่งซาบซ่านเป็นกําลังงานหัวใจก็วูบชักมีความสุขมองดินมองฟ้าดูอากาศแจ่มใส วันนี้ข้ามีเรื่องคุยกับเองว่ะเด่นพูดขึ้นโดยตั้งใจอยู่หลายวันว่าจะพูดประสานมองหน้าเด่นนิดหน่อยคล้ายกับจะท่ายออกว่าเด่นจะพูดเรื่องอะไรก็ก้มหน้านิ่งฟังอยู่แต่ก็พูดไปคำนึงพูดไปประสานว่าข้าก็นึกอยู่หลายวันว่าจะพูดแต่ก็เกรงใจแกก็มานึกอีกทีนึงเออเองก็เป็นเพื่อนข้าแท้ๆก็ต้องพูดแล้วก็พูดอย่างเพื่อนตายเว้ยเด่นว่าคถามำหน้าอยู่หลายคำก่อนจะเทศนาเอาเถอะว่าไป ประสานดื่มเหล้าแล้วก็ดื่มอีกก็เรื่องเองกับคุณเสมียนทองใหญ่นั่นแหละข้าเองก็อยากจะพูดเรื่องนี้กับเองอยู่แล้วเหมือนกันงั้นเองก็รู้ละสิว่าข้าจะพูดอะไรงั้นสิข้ากินไม่ได้นอนไม่หลับเลยเอางี้ข้าจะถามเองอย่างเพื่อนแท้ะเวยเพราะว่าคนมากคนเนี่ยพูดจาซุบซิบนินทาเองให้เข้าหูข้าเมียข้าก็รู้เหมือนกันเด่นพูดได้แค่นี้ก็ต้องหยุดเพราะว่าประสานพูดสวนขึ้นมา ข่าว่าข้าเป็นชู้กับพี่เดือนฉายเมียพี่ทองใหญ่เหรอก็นั่นนั่นแหละเด่นตอบแล้วก็มองหน้าประสานเองก็รู้เหรอมีคนลือเหรอเออนะสิประสานตอบอย่างถอนหายใจแล้วมันจริงเท็จแค่ไหนละวะเองเชื่อตามนั้นหรือเปล่าละ่ะข้านี่ยไม่เชื่อก็เลยมาถามเองดูคนอย่างข้าถ้าเป็นไปแบบนั้นจริงมันก็สิ้นมนุษย์พี่ทองใหญ่เนี่ยเป็นเพื่อนรักแล้วก็เลี้ยงข้ามาเหมือนลูกพี่เดือนฉายข้าก็รักเหมือนกับแม่ แต่ถูกลือว่าเป็นคนกินบนเรือนขี่รถบนหลังคางามหน้าเหลือเกินพี่ทองใหญ่เนี่ยเหมือนมีเขางอกอยู่ที่หัวพี่เดือนฉายก็เป็นผู้หญิงเลวข้าเป็นผู้ชายชนิดชายกระเบนน้ําตาก่ะแทบเป็นเลือดเอาแล้วเองคิดยังไงล่ะก็ยังไม่รู้นะสิจิตใจข้าเวลานี้เหมือนเป็นเพียงคนครึ่งคนแล้วเองสังเกตดูว่าคุณทองใหญ่เนี่ยเขามีท่าทางอะไรหรือเปล่าวะก็คงได้ยินสิดูเขาเมินๆขุ่มๆกับข้าอยู่ นี่มันก็ผลกรรมแล้วเว้ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะเว้ยไม่ใช่เรื่องเล็กคอขาดบาดต้เลยนะไม่คิดแก้ไขมันจะไปกันใหญ่ข้าก็พยายามคิดเหมือนกันแต่คิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ถึงว่าใครเป็นผู้ก่อข่าวนี้ให้เกิดขึ้นและทำเพื่ออะไรและถ้ามันเป็นเรื่องจริงข้าจะไม่เสียใจเลยเพราะว่าตนเองระยำเนี่ยมันไม่จริงเลยแต่ว่ามันก่อการกันขึ้นโดยประสงค์อะไรประสานกล่าวอย่างเครียดแค้นและถอนใจใหญ่ เ อ, อ่ยังไงเองก็รีบคิดซะนะเว้ยอย่าให้สายมันไม่ใช่เรื่องดีข้าก็เคยคิดว่าข้าอยากจะหนีไปจากที่นี่จะได้หมดราคีข้าวประสานพูดอย่างหมดปัญญาเออถูกละต้องไปให้พ้นแต่ก็เกรงว่าการหนีหน้าไปเนี่ยมันจะทําให้เรื่องไม่จริงกลายเป็นเรื่องจริงเข้าน่ะสิวะเด่นออกความเห็นอีกไปในทางแง่หนึง่งการที่ข้าจะดื้ออยู่ก็เท่านั้นแหละมันเหมือนกับประจานหน้าพี่ทองใหญ่หนักเข้า เหมือนเป็นชู้ชนิดขี่คอผัวเล่นได้โดยผัวไม่รู้ประสานว่าเออก็จริงว่ะแต่ว่าอีกประการหนึ่งนะเองจะเป็นคนเห็นก่นได้หาทางสบายสนุกในการเป็นชู้มีเงินใช้มีข้าวกินคุณทองใหญ่จะทําไงเองก็ยังไม่ถนัดว่าจะจริงหรือไม่ก็ต้องทนนิ่งหาข้อเท็จจริงไปก่อนแล้วเองจะไว้ใจเหรอมันฆ่ากันได้นะเว้ยเรื่องเนี้หนีไปซะอย่ามัวห่วงงานเป็นคนสิ้นคิดเด่นให้ความเห็นหลายคํา เหตุการณ์ได้เปลี่ยนไปเมื่อทั้งสองพูดกันมาได้แค่นี้ก็มีเสียงฝีเท้าคนย่ำมาหนักๆนะแสงไฟสว่างเห็นเจ้าของเสียงถนัดทองใหญ่นั่นเองด้วยเหตุผลใดไม่มีใครรู้ทองใหญ่โดดเข้าต่อยเด่นอย่างเต็มแรงแต่ว่าเด่นพงะหลบหมัดจนหงายหลังไปทองใหญ่จึงต่อยผิดถึงกับตัวหมุนด้วยความไวของประสานเข้าพุ่งตัวกอดขาพี่ทองใหญ่ไว้ทองใหญ่จึงไม่มีโอกาสทำร้ายเด่นได้อีก ฆ่าฉันพี่ใหญ่ฉันมันควรตายฆ่าฉันเถอะประสานพูดอย่างระล่ำระลักทำเด่นเขาทำไมอ่ะพี่ใหญ่พอตั้งตัวได้ทองใหญ่ก็สะบัดหลุดจากการกอดของประสานไอ้ซานร้องแล้วก็ต่อยสารกล่่มใหญ่ประสานล้มหงายโดยแรงริดหมัดของทองใหญ่เดี๋ยวกูกระทืบทองใหญ่คำรามและขยับตัวแต่ยั้งใจไว้ได้จึงไม่ทำตามที่พูดไอ้สัตว์ทำเหตุแล้วจะหนีหน้ า, ากูทองใหญ่คำรามคล้ายกับมีริดสุราอยู่บ้าง ฉันไม่ได้ทำประสานพูดอย่างตะโกนเมื่อเชื่อว่าทำก็ฆ่าเลยเอาไว้ทำไมล่ะพี่เองอะ่ะก็เท่ากับพ่อฉันพี่เดือนก็เท่ากับแม่ฉันเมื่อไอสารเนรคุณเข้าแดงแกงร้อนก็ฆ่ามันเลยสิเลี้ยงไว้ทำไมประสานพูดอย่างเสียใจเต็มกลั้นพร้อมกับร้องไห้กูไม่ได้ว่ามึงเป็นจริงๆทองใหญ่ตวาดเหตุนี้มึงเป็นตัวเอกแล้วมึงหนีหน้าเรื่องก็จะกลายเป็นจริงไอสัตว์คิดทิ้งเพื่อน ก็ผมกลัวคุณจะถูกกลือเสียหายเข้าไปมากนะสิก็ขอให้ตัวการหลบหนีไปให้พ้นเด่นช่วยอธิบายโดยไม่ถือโกรธที่ทองใหญ่ต่อยคราวแรกมึงละตัวการหนุนไอสารให้มันหนียิ่งร้ายเข้าไปใหญ่ทองใหญ่ด่าเด่นเหตุได้หยุดกันไปได้โดยพูดกันเข้าใจในเรื่องแล้วประสานถูกหมัดทองใหญ่อย่างหนักปากแตกความเคลื่อนไหวของสามหนุ่มนี้บนสโมสรมองเห็นเพราะไม่ไกลกันนักข่าวก็เป็นไปว่า ผัวจับชายชู้ได้ก็เกิดต่อสู้กันหากแต่ว่ามีคนห้ามก็เลยเลิกกันไปเรื่องมันก็เลยเป็นไปดังนั้นทองใหญ่ให้เด่นเฝ้ายามแทนประสานไปก่อนรีบพาประสานกลับไปใส่ยาบาดแผลที่ร้านในตลาดครั้นจะตรงไปที่หน่วยพยาบาลของโรงงานก็เกรงว่าจะเป็นข่าวใหญ่ก็เลยไปที่ร้านแต่เข้าทางประตูหลังทางหน้าร้านยังมีคนกินอาหารกันอยู่หลายคนทองใหญ่ไม่ได้พูดอะไรให้เดือนฉายเข้าใจ อ, อุบอิบอุบอิบแล้วก็รีบใส่ ย, ยาให้ประสานเมื่อใส่ ย, ยาเสร็จแล้วทั้งสองก็ออกจากหลังบ้านไปทองใหญ่หันมาบอกกับภรรยาว่าจะกลับมาอธิบายเดือนฉายยืนมองทั้งสองอย่างตะลึงและหนักใจในเหตุการณ์ข้างหน้าประสานบอกให้ทองใหญ่กลับเขาเองจะหลบตาคนไปอยู่ที่ยามเองทองใหญ่กลับมาอธิบายเหตุให้ภรรยาฟังฉันแอบไปฟังเจ้าประสานกับเจ้าเด่นมันคุยกัน เจ้าเด่นมันหนุนให้ประสานหนีหน้าหนีข่าวลือฉันโกรธจริงเธอเอ้ยก็อยู่มันเฉยๆจะเป็นยังไงถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงถ้าเจ้าประสานหนีหน้าไปมันก็จะกลายเป็นเรื่องจริงฉันก็เลยต่อยไอ้เด่นแต่ว่ามันหลบล้มไปไอ้สารมันเข้ามากอดคาฉันไม่ให้ฉันไปซ้ำไอ้เด่นฉันก็เลยต่อยหน้าไอ้สารเข้าตอนนั้นเนี่ยมันกําลังหน้ามืดแล้วประสานสู้พี่หรือเปล่าล่ะไม่สู้เลยมันยอมให้ฉันฆ่ามันร้องให้ ทองใหญ่พูดอย่างเสียใจก้มหน้าและถอนหายใจฉันกับไอสารน่ะนะมันรักกันมานานเราก็ไม่รู้ว่าใครแกล้งทำข่าวลือถ้าฉันรู้นะว่าใครทำข่าวลือนี้ออกไปฉันจะต้องมาฆ่ามันส่วนประสานพอกลับไปถึงที่อยู่ยามเห็นเด่นนั่งยามอยู่ก็พูดว่าหน้าคันวะอยู่ๆก็มาเป็นไปแบบนี้ประสานพูดนั่นสิเว้ยข้าหลบซะทันไอเหงก็เลยโดนเขาให้ ดีอยู่แต่เขาไม่เชื่อข่าวลือถ้าเขาเชื่อเนี่ยมันจะไปกันอีท่าไหนเออเองกลับไปกินข้าวกินปลาหลับนอนกับเมียแกเถอะไปค่ามากและประสานเตือนเด่นให้กลับเรื่องของข่าวลือครั้งใหม่นี้มีใช่เกิดจากพวกก่อการมือมืดสร้างขึ้นหรอมันเกิดจากผู้อื่นที่เชื่อข่าวลือแรกๆอยู่ครั้นได้เห็นการต่อสู้ของทองใหญ่และประสานก็เป็นข่าวผัวจับชายชู้ประสานถูกหมัดของทองใหญ่ปากแตกแล้วก็บวมมาก ทองใหญ่จึงจัดการให้เด่นหยุดงานทางด้านกลางแดดมาอยู่ยามแทนประสานส่วนประสานนอนซ่อนตัวพักผ่อนอยู่หลังร้านเดือนฉายก็เกิดเถียงกับสามีที่ไปทําการให้เกิดลือกันต่อไปอีกจนตัวเองแทบไม่กล้าจะสู้หน้าใครได้ทองใหญ่เองก็กลุ้มแทบเป็นบ้าข่าวลือแต่ละกลุ่มล้วนแต่ระยำย่ำเปทั้งนั้นเรื่องของเรื่องก็คือการมีเมียสวยเมียสาวและฐานะดีก็เกิดอะไรอะไรขึ้นอย่างไม่มีความจริง ยังหารู้ไม่ว่าใครเป็นผู้อิดช้าหรือมีแผนการใดๆจึงก่อข่าวขึ้นให้วุ่นวายและเสียหายอย่างหนักในระยะสองสาวันนั้นข่าวลือเพิ่มใหม่เป็นข่าวลือที่ว่าเจ้าผัวแสนโง่ได้ให้ชายชู้นอนซุ่มตัวอยู่ที่บ้านก็เป็นการสบายแก่การทำชู้สาวกันไปฝ่ายชู้ได้สวมเขาติดหัวฝ่ายผัวให้อย่างงมงายเข้าทานองแบบผัวเก่ากับเมียรักปล่อยให้เมียเล่นชู้กับชู้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน เรื่องของการลือมีปัญหาว่าถ้าจะไม่จริงมันก็เข้าพาิ์ว่าไม่มีมูลฝอยที่ไหนมาจะถ่ายผู้ก่อการในความมืดมีความเฉลียวฉลาดป้ายสีให้ครึกโครมจนกว่าประสานและทองใหญ่จะฆ่าแกงกันขึ้นตายกันไปข้างนึงติดคุกกันไปข้างหนึ่งเดือนฉายก็ต้องอยู่อย่างเดียวดายมือมืดอาจจะโผล่มาตอนนั้นก็ว่าได้ สามหนุ่มได้แอบประชุมกันขึ้นเพื่อค้นหาตัวมือมือดตกลงให้ประสานทำหนีหน้าให้แอบไปอาศัยอยู่กับเพื่อนที่ตำบลท่าเรือห่างจากตำบลท่าม่วงออกไปเพื่อฟังข่าวลือและเหตุการณ์ต่อไปครั้นประสานพ้นเขื่อนท่าม่วงไปข่าวก็ซาลงส่วนทองใหญ่แอบขี่มอเตอร์ไซค์ไปเยี่ยมกินเหล้ากินยากับประสานเสมอบางคราวประสานก็เกาะท้ายรถมาที่ตลาดในเขื่อนนั้นบ้างเที่ยวไปเที่ยวมาให้คน ท, ทั่วไปมองเห็น ทองใหญ่ขับรถประสานจะซ้อนท้ายไปมาอยู่เสมอเพื่อจะคอยจับตัวข่าวพิธีวางแผนโรเยเหยื่อล่อปลาน้ําลึกของสองหนุ่มได้ชะ ง, งักลงอย่างน่าสโยดสยองทองใหญ่ได้พบจุดจบในขณะที่กําลังอยู่ด้วยกันกับประสานเป็นแผนใหม่ของมือมือดในค่าหนึ่งมอเตอร์ไซค์ของทองใหญ่ซึ่งมีประสานซ้อนท้ายกําลังออกจากเขื่อนวชิราลงกรณ์เข้าตลาดท่าม่วงอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็วิ่งมุ่งกลับท่าเรือ รถของทองใหญ่นั้นได้ถูกมือมือดยิงสวนเข้าไปแต่ว่าลูกปืนถูกเฉพาะทองใหญ่รถจึงล้มลงปืนของมือมือดได้แผดขึ้นอีกสองนัดโดยไม่ถูกใครเมื่อรถล้มลงไปแนววิถีกระสุนก็หมดความแม่นทองใหญ่ถูกยิงสมองระเบิดประสานไม่ถูกยิงแต่รถล้มนั้นฟาดร่างกายประสานลงอย่างแรงจนสลบอยู่กับที่ ศพทองใหญ่ถูกทิ้งนอนอยู่เพื่อให้ตำรวจพิสูจน์ส่วนประสานถูกนำตัวไปส่งโรงพยาบาลกาญจนบุรีโดยโ ด, ยดย่วนและทางตำรวจได้อาุญาตตัวไว้ด้วยในคดีฆาตรกรรมนี้เพื่อทำการสอบสวนเมื่อฟื้นขึ้นข่าวลือได้แพร่สะพัดไปในเขื่อนวชิราลงกรณ อ, อย่างรวดเร็วในทำนองที่ว่าฝ่ายชู้ได้หลอกลวงฝ่ายผัวไปถึงจุดจบทางตำรวจได้สอบสวนก็พบการเล่าลือของชาวบ้านและคนงานในเขื่อนเรื่องจึงเอียงเอียงไปทางประสานวางแผนฆ่าเพื่อน แต่วิธีกระสุนปืนนั้นบอกว่ามือปืนยิงสวนกันกับรถของทองใหญ่ซึ่งประสานเกาะท้ายรถก็อยู่ในเขตอันตรายด้วยทั้งการล้มไปด้วยกันนั้นก็เป็นเขตอันตรายเช่นกันซึ่งขัดแย้งกันอยู่กับข่าวลือทั้งเสียงปืนดังสามนัดตามที่ชาวบ้านได้ยินหลายบ้านนั่นก็แสดงว่าผู้ยิงหมายยิงให้ตายทั้งคู่แต่ว่าหลักฐานยังไม่เพียงพอเรื่องของตำรวจจะต้องเดินลึกกว่านั้นไปอีก การสวดศพของทองใหญ่ที่วัดตำบลท่าม่วงประสานได้ปลอดภัยแล้วและถูกสอบสวนบ้างแล้วเล็กน้อยและประสานก็มาอยู่ในงานศพด้วยเขาแอบกระซิบข้างลงศพขอให้ดนใจให้รู้ว่าใครทำไอสารจะรีบรบกับมันด้วยมือของตนเอง ประสานชวนเด่นและเมียเด่นไปนอนเป็นเพื่อนให้ความอบอุ่นใจแก่เดือนฉายที่ร้านด้วยกันทั้งหมดส่วนร้านอาหารจะหยุดลงซะก็เกรงจะเงียบเหงาเศร้าโศกมากไปจึงให้ลูกจ้างดำเนินงานไปตามธรรมดาและได้ทั้งขอความคุ้มครองจากตำรวจด้วยพวกเพื่อนร่วมงานของทองใหญ่ก็ได้ช่วยกันออกเงินในงานนั้นอย่างตามสมควรไม่มากไม่น้อยแต่ว่าร้านค้าร้านหนึ่งเป็นร้านค้าประเภทเครื่องสอางบ้างและของใช้ต่างๆบ้าง เจ้าของก็คือนายเฉลียวเพื่อนร่วมงานของทองใหญ่เป็นผู้มีทุนมากออกร้านห่างออกไปไม่กี่ห้องนายเฉลียวมีเมียหลายคนแต่อยู่กันคนละจังหวัดและเมื่อนายเฉลียวมาทำงานที่เขือนนี้ก็ได้เมียเข้าไปอีกคนขนาดกระเบิะกระบะไม่ค่อยรู้เหนือรู้ใต้แต่ว่าเป็นหญิงที่ค่อนข้างจะมีมรดกก็เลยชวนกันมาตั้งร้านอยู่ในตลาดนั้น นาเฉลียวเป็นกันเองกับทองใหญ่ในสองทางทางหนึ่งตั้งร้านค้าในที่เดียวกันจึงช่วยเงินแก่เดือนฉายหนักมือกว่าชาวร้านอื่นๆจึงผิดใจในเด่นและนายประสานของเราอยู่ไม่น้อยในเด่นแม้จะเป็นกรรมกรแต่ไหวพริบนั้นพอตัวเฮ้ยไอสารเด่นกระซิปประสานในวันหนึ่งกูชักจะมองเห็นมือมืดขึ้นรังๆแล้ววะ่ะแต่ว่าต้องดูกันไปก่อนนีเวย้ยอืมข้ารู้ประสานก็บอกแบบนั้นพร้อมกับพูดว่า ข้าก็คิดตรงกันแล้วว่แต่อย่าเพิ่งเอาแน่ก่อนปากลงไปทีเดียวมันอาจจะเป็นอกุศลเว้ยเราลองจับตามองดูให้เห็นพ้องต้องกันไปพลางๆก่อนประสานของเราจะพูดอะไรกับเดือนฉายเกี่ยวกับกิจกรรมอะไรไม่ยอมพูดกันในที่ลับตาคนจะพูดกันอย่างเปิดเผยเสมอเกรงจะโดนข่าวลืออีกและก็น่าดีใจที่ว่าพอท้องใหญ่สิ้นไปแล้วข่าวทั้งหลายที่เคยมีฟุ้งซ่านก็เลิกไปจะโดยมีความสงสารเดือนฉายหรือเพราะอะไรก็สุดจะรู้ หรือว่าผู้ที่ต้องการทำลายก็ได้จบชีวิตลงไปแล้วอย่างสมใจทั้งประสานและก็เด่นต่างก็คิดคิดกันไปก็ชักจะมองจุดมุ่งหมายของมือมืดออกมาบ้างแล้วไม่ผิดไปจากชู้สาวได้เลยแต่ว่าไม่มีความหมายว่าเดือนฉายจะเป็นไปด้วยอาจจะเป็นโครงการไกลของอีกฝ่ายที่จะทำการยืมมือประสานในการสังหารทองใหญ่แล้วประสานก็ติดคุกไปหรือว่าประสานตายทองใหญ่ก็ติดคุกไป และแผนการไกลของผู้นั้นก็ดาเนินกับเดือนฉายได้อย่างละมุนละม่อมเด่นคงกลับมาทำงานหนักตามเดิมการอยู่ยามไม่กล้ารับทาไดในยามนี้ห่างคนนักและก็เป็นงานกลางคืนส่วนประสานนั้นลาออกไปเลยไม่ยอมทำงานเมื่อไม่มีเพื่อนอยู่ด้วยตั้งใจไว้ว่าเสร็จงานศพและตัวเองหมดจากข่ายสงสัยในตำรวจแล้วก็จะลาจากเดือนฉายไป หรือว่าเดือนฉายจะเลิกการค้ากลับกรุงเทพก็แล้วแต่ขอแยกทางกันเพราะว่าการอยู่ใกล้เดือนฉายนั้นก็ย่อมมีภัยหลายประการทั้งทางคอรหะและภัยทางร่างกายในทางมืดวิแววของคนที่หวังในตัวของเดือนฉายยังคงเงียบด้วยความสุขุมของตัวการไม่ยอมทําอะไรให้ผิดตาผิดใจขึ้นมาในคืนหนึ่งกลางดึกได้เกิดอละเวงขึ้นด้วยว่าประสานกาลังนอนหลับได้ตื่นขึ้นร้องไห้ เด่นนอนอยู่ด้วยก็ตกใจตื่นถามเรื่องดูแต่ว่าประสานไม่ยอมพูดอะไรเลยแล้วกลับนอนกันอีกส่วนทางเดือนฉายนั้นไม่รู้เรื่องเพราะว่านอนห่างกันเมียเด่นแล้วก็เด็กคนใช้นอนเป็นเพื่อนรุ่งเช้าประสานได้เล่าให้เด่นฟังว่าเมื่อคืนทองใหญ่มาเข้าฝันแล้วก็บอกว่าตัวการที่ก่อความวุ่นวายแล้วก็ฆ่าเขานั้นเขารู้แล้วแต่จะแก้แค้นอย่างไม่มีอะไรมายุ่งทางครอบครัวและเพื่อนฝูง และเขาจะไม่บอกว่าผู้นั้นคือใครเกรงประสานกับเด่นจะทําการไม่ยั้งคิดจนเกิดเป็นโทษทางฆาตกรจะปิดไว้ก่อนจนกว่าประสานและเด่นจะได้รับข่าวอะไรขึ้นในเร็วๆนี้เป็นการตายของคนคนหนึ่งและเมื่อนั้นจงรู้ไว้เถิดว่าตัวการได้ตายตกไปตามกันเดือนฉายนั้นไม่เคยจะฝันถึงผัวเลยเห็นทีว่าผัวเกรงว่าเมียจะกลัวก็เลยไม่กล้ามาใกล้ชิด แต่ว่าเดือนฉายกลับไปคิดว่าทองใหญ่ไม่รักตัวซะแล้วประสานจึงปลอบว่าอย่าเข้าใจผิด ทองใหญ่เป็นคนสุขุมไม่ยอมทำสิ่งใดที่ไม่มีประโยชน์ใจคอผ่องใสจริงๆจะหาชายอย่างเขานั้นยากจริงๆการสวดศพของทองใหญ่ครบกำหนดลงได้ฝากเก็บไว้ก่อนที่วัดนั้นเพื่อรอการเผาประสานยังคงเป็นเพื่อนเดือนชายอยู่กับเด่นและก็เมียเด่นก่อนเพราะว่าทางตำรวจสอบสวนคดีฆาตกรรมยังไม่เสร็จประสานยังเป็นตัวที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดจะต้องอยู่ก่อนเรียกสอบสวนย่อมได้ทุกเวลาและแล้วก็เกิดข่าวน่ากลัวขึ้นในเขตที่ทำการ นันองมีคนเห็นทองใหญ่เดินอยู่ในบริเวณนั้นยามค่าคืนหลายหนและหลายแห่งคนงานที่นั่นมีเยอะแยะกลางวันก็ดูคึกคักดีแต่กลางค่ำกลางคืนต่างก็พักยังที่พักของตัวแต่ละหมู่ก็ห่างกันไปถึงจะมีไฟฟ้าทั่วไปถ้าห่างที่ใช้ไฟก็สว่างน้อยก็เลยเกิดความน่ากลัวขึ้นและยิ่งถนนดินที่จะไปถึงสะพานข้ามน้าการและก็ไปออกนอกบริเวณเขื่อนทางนั้น ไม่มีคนเลยในเวลากลางคืนด้านหนึ่งเป็นเนินเป็นบ่อใหญ่ห่างออกไปก็จะเป็นที่โลง่งส่วนอีกด้านหนึ่งนั้นเป็นป่าไม้มืดในระยะเวลาที่ทองใหญ่ได้ตายลงนี้คนงานทุกๆคนคนในที่นั้นก็เปลี่ยนการที่เคยกระทําพวกที่ไปสโมสรจะกลับซะตอนเย็นๆไม่ทันมืดค่ำพวกไหนที่อยู่ถึงค่ำเวลากลับบ้านจะต้องมากันเป็นหมู่แล้วก็แยกทางกันคราวหลัง ยิ่งมามีผู้พบเห็นทองใหญ่ขึ้นแบบนี้สภาพของบริเวณกว้างใหญ่ก็เงียบและน่ากลัวขึ้นอีกมากมายและหลายคนก็ได้เคยพบรถมอเตอร์ไซค์ที่มีแสงไฟหน้ารถแจ่มจ้าแต่รถนั้นวิ่งโดยไม่มีเสียงเครื่องยนต์ก็เป็นที่รู้กันว่านั่นคือรถของทองใหญ่ และอีกอย่างทั้งๆ ท, ที่ทำการนั้นก็มีคนงานมากมายแต่เกิดน่ากลัวขึ้นเพราะค่ำลงต่างคนต่างปิดประตูหน้าต่างนอนกันเงียบใครเห็นไฟรถมอเตอร์ไซค์จ้ามาแล้วก็นิ่งฟังเสียงเครื่องยนต์ถ้ารถวิ่งไม่มีเสียงก็หนาวไปตามๆกันเดือนฉายเป็นผู้หญิงก็เป็นธรรมดาแหละที่จะหวาดกลัวแต่ก็ค่อยยังชั่วที่มีทั้งแม่กลัวและคนใช้อีกทั้งเมียในเด่นคอยเคียงข้างอยู่เสมอถัดมาก็ในเด่นแล้วก็ประสาน แต่มันช่างร้ายกาดอะไรปานนั้นอะไรๆยังไม่ทันจะซาลงก็เกิดความสยดสยองขึ้นอีกคือนายเฉลียวเจ้าของร้านชำที่ตลาดนั้นขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปธุระที่เมืองขากลับถูกรถบรรทุกชนอย่างแรงจนร่างกายแหลกเลวข่าวนี้ประสานและเด่นถึงกับสะดุ้งทางร่างกายและสะดุ้งหัวใจไปตามที่ทองใหญ่มาเข้าฝันประสานไว้บอกว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอีกคนตายนั้นก็คือผู้ที่ฆ่าเขาละ ศพของนายเฉลียวสวดอยู่ที่วัดเดียวกันกับทองใหญ่นั่นเองและก็ในตลาดนั้นถือเป็นธรรมดาว่าชาวร้านใดมีเรื่องใดก็ต้องช่วยกันทางร้านของเดือนฉายก็ออกเงินช่วยกันไปตามระเบียบแต่ไม่มากมายอย่างที่นายเฉลียวเคยช่วยเดือนฉายสำหรับที่ทำการก็ช่วยกันอย่างเคยเพราะว่านายเฉลียวก็คือคนร่วมงานที่นั่น เรื่องความกลัวทางทองใหญ่ยังไม่จบเลยความน่ากลัวทางนายเฉลียวก็จะมาเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าตายโดยรถมอเตอร์ไซค์เช่นเดียวกันเรื่องของชนิดรถนี้วิ่งกลางคืนก็เลยเป็นเรื่องที่หวาดหวั่นกันไปด้วยความสามารถของตํารวจท่าม่วงและการจนบุรีได้คุมตัวมือปืนที่สังหารทองใหญ่จนได้ด้วยพยานปากเอกที่รู้เห็นเหตุการณ์จ้างวานทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นเรื่องที่เกิดจากผู้หญิง มือปืนกำลังเกี่ยวข้องกับผู้หญิงอยู่สองทางทั้งหึงทั้งหวงกันอยู่มือสังหารนั้นจะเคลื่อนไปยังที่ใดหญิงคนนั้นก็จะแอบสกดรอยตามเพื่อเอาความจริงและเมื่อเรื่องมันแว่วๆทางตำรวจก็บอกว่าดวงเข้าหาจนได้การตัวมือปืนจนด้วยหลักฐานก็สารภาพและซัดถึงผู้จ้างวานแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเพราะผู้นั้นได้จบชีวิตลงซะแล้วในเวลาก่อนหน้านี้นิดหน่อย ประสานของเราพ้นข้อสงสัยไปแล้วก็แจ้งความประสงค์ว่าอยากจะกลับกรุงเทพเกี่ยวกับความเศร้าโศกในเพื่อนและทั้งไม่กล้าจะอยู่ให้มีข้อนินทาขึ้นอีกด้านเดือนฉายก็ว้าเวอยู่ไม่ได้จึงบอกจะเลิกขายและคืนห้องเช่าในตลาดกลับสู่บ้านของตนในกรุงเทพเด่นกับประสานต้องเสียใจในการจากกันอย่างที่สุด